<Book> หนึ่งร้อยบันดาคำวิเศษกริยาวิเศษนาเคยยังไม่เคยอินเตอรมุนดูอิปปดิวร์กูเลดูคุณเคยไปเบอร์ลินหรือยัง มีเรีินตักงมุมเพย์บอรลินวัชชาระไม่ยังไม่เคยเลยค่ะเลดูยิ่ปฎปิวรรูราเลดูใครไม่มีใครเยาวรูวกรูยาวรูกาดูคุณรู้จักใครที่นี่ไหมคะไม่เคยขัดยาวรีนาเตลิซไม่ ดิฉันไม่รู้จักใครที่นี่ค่ะเลดูนา่าก็อีกกระไดเยาวรุ่นต่เลียดูอีกนิดอีกไม่นานอิงกุนตะเซปุมารีกับวุเซปุกาดูคุณยังอยู่ที่นี่อีกนานไหมไม่รีกกระไดอิงคุนตะเซปุนต์ดาราไม่ดิฉันอยู่ที่นี่อีกไม่นานค่ะ เลดูเนี่ยนี่ ก, ก็ได้เยกกูเซปูนดนอะไรอีกไม่อีกแล้วมาเร่ดนะนยิ่งแกเยมีเลคุณอยากดื่มอะไรอีกไหมไม่เร่งแ ก, กม ไ, ไม่น่าตากระดิชาไม่ดิฉันไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วค่ะวอดดูน่ากินกมวดด อะไรบ้างแล้วยังไม่เลยอินเตอกมนุเป๊อิงก้าเยเมฆาดูคุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหมไม่ไอินเตอกุมนุเป๊อเยเมนาทินน่ะนไม่ดิฉันยังไม่ทานอะไรมาเลยค่ะเลดูเนียนี่ยิงเยเมฆเตนเลดมีใครอีกไม่มีใครอีกแล้ว มาราครูเยาวรูขาดมีใครอยากรับกาแฟอีกไหม잉กเกยวรนะุกคนะกาฟฟคาวาลาไม่ไม่มีใครอีกแล้วค่ะวดดูเยาวรุกี่วดดูกรุณาไปที่ w w w b o o k t d e